พระบรมศาสดาท่องเที่ยวในสงสาร <c oughs> เป็นคนจนหาฟืนขายมาเลี้ยงชีวิตแล้วก็ แ, แบ่งออกเป็นสี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปฝากไวในพระคลังของพระพุทธศาสนา คือสละให้ทานในพระเจสี่จีวนมินธรรมะเจนาสนะและเศสัตตามคุณค่าที่พอจะได้น้อยก็าตามมากก็าตามแบ่งไว้เป็นส่วนสุดแต่ละวันละวันส่วนหนึ่งก็เอาไปให้งูเหา่างูเห่าคือพันรยาถ้าไม่ได้มันก็เหา่าฟอฟอท่านพูดอย่างนั้น ส่วนหนึ่งเอาไปทิ่งในทะเลหลวงคือเอาใส่ปากใส่ท้องส่วนหนึ่งก็เอาไปใช่นี้ใช้นี้ใช้สิเคือให้บิดามันดาเกิดมาในพวพบใดชาติใดพระบรมศาสตราไม่ได้ทิ้งบิดามันดา ถือว่าเป็นพรหมของบุตรถือว่าเป็นมาตุคุณปิตุคุณอย่างเต็มที่คุณของบิดามันดาเทียบเหมือนคุณของพระอรหันต์มีลึกสูงองค์หนึ่งในข้งพุทธการบวชมาแล้วผิวพันวันละ ก, ก็เศร้าหมอง เพราะแม่คอยจะได้เดินจงกลมภาวนาเพราเป็นห่วงมันดาบิดาผู้เขาเลี่ยงอยู่ทางโลกไม่เป็นธรรมท่านก็เป็นห่วงท่านไปบินทบาตมาได้วันไหนได้เล็กน้อยก็มอบให้บิดามันดาไปทานเสีย ถ้าวันไหนได้มากท่านจึงแบ่งไว้ชั้นบ้างส่วนผ้าผ่อนทอนสบายที่ได้โดยมาในทางที่ชอบถ้าเป็นผ้าเหลืององค์ท่านก็ไปซักให้เป็นผ้าขาวถาวายให้เวลามาราผัดเปลี่ยนหน้าไม่มี ท่านก็ไปตักไปจ้วงมาหาไม่ได้ก็หิ้วเอาหิ้วไม่ได้ก็คลอนเอาฟืนไม่มีท่านก็หามาให้เอาฟืนเป็นไม่ได้ก็เอาฟืนตายฟืนแห้งซึกซูทั้งหลายเห็นธงท่านทําอย่างนั้น ก็ประกาศทูลพระบรมศาสดาว่าภิกษุกรส ม, มุตเป็นผู้บวชมาเรี่งวิดามานดาไม่เอาใจใส่ในกิจธุระของการเดินโงกรมภาวนาและธุระอื่นๆเป็นห่วงวิดามานดามากเป็นกังวลไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่มีขวัตปฏิบัติมหมืนหมูเป็นกังวลมาก บวชเรื่องบิดามารดาคงจับผิดพระธรรมวินัยมากพระบรมศ า, ศาสดารับฟ้องแต่องค์ท่านก็รู้แล้วบอกว่าตอนเย็นเราจะตีะระฆังประชุมสองหลอกพอตกเวลาเย็นมาก็ตีะระฆังประชุมสงฆ์สงฆ์ก็มารวมกัน นนี้องค์ท่านก็ทำพิธีโจดฟ้องว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงหรือพระกบจริงพระเจ้าข่าเธอเห็นยังไงเธอจริงประพฤติอย่างนั้นเห็นอย่างพิสดา ร, ร, ร ม, มากจะถูกหรือผิดประการใดก็ก้าผมก็จะไม่เหลือวิสัย ถ้าหากว่าผิดก็จะหยุดถ้าหากว่าถูกก็จะทำต่อไปวิดามันดามีท้องก็ได้น ะ, ะมัดระวังเเครื่องอยู่เครื่องกินตลอดถึงอาหารถึงที่นั่งที่นอนท้องโตมา ถึงเวลาจะใกล้คลอดก็ยิ่งลําบากมากนอนก็นอนไม่สบายนอนหงายก็ไม่สบายนอนคว่ำก็ไม่สบายนอนตะแคงก็ไม่สบา ย, น, น, บายนั่งก็ไม่สบายจะไปอุดจระปัชะชาวก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นทุกข์อยู่ในเวลาที่ก้าวกระผมอยู่ในท้องขององค์ท่าน พอเวลาคันแก่มาแล้วต้ากระผมก็ทะลุออกทางทวารหนักทวารเบาขององค์ท่านองค์ท่านก็ปวดก็เจ็บก็แสบมากเสียงบุญเสียงกรรม แล้วรับทนทุกขวเวทนามากมายหลายนับแล้วก็ตั้งอยู่ไฟอีกด้วยจะรับอาหารอันแสลงก็เกรงว่าจะผิดเป็นทุกข์เป็นลำบากบกระผมมากระผมลึกเองคิดเองในเรื่องนี้ไม่มีใครมาบอกมาสอน ทีนี้เมือม่อเวลาหิ้วนมก็ส่งนมหิ้วข้าวก็ส่งข้าวเป็นทุกขาระเวทนามากเป็นห่วงเป็นใยกับลูกๆแมลงวันหรือว่าแมลงวีตัวหนึ่งมาตอมหรือมดมากัดมาเข้าหูเข้าตา ที่กำลังอยู่ในพา อ, อ้อมที่กำลังคลานไม่เป็นก็ระมัดระวังที่สุดปากกินตาดูลูก <c oughs> เป็นห่วงเป็นใยไม่มีกลางค่ากลางคืนทีนี้พอถึงเวลา ความเวลาคานเป็นมือหนึ่งทำงานมือหนึ่งก็มองดูลูกเมื่อเวลาก้าวผมเก็บป่วยร้องไห้หรือเป็นอะไรไม่อยู่เย็นเป็นสุขดิดามันดาก็คอยม่โศกด้วยก็เป็นทุกข์้วยเป็นทุกข์ในหัวใจ ตลอดถึงวิ่งเล่นได้ตามถนนหนทางตาหนึ่งก็มองดูลูกว่าจะไปที่ไหนจะเป็นอันตรายหรือไม่ทั้งทำอยู่ทำกินสารพัด ส, ส่วนพ่อบิดาเป็นผู้คาหามาทางไกลก็ัวใจห่อใจแขนเหมือนกันนึกถึง ลูกกูอยู่อย่างไหนเนาเมียกูอยู่อย่างไหนเนาเรื่องลูกเป็นธรรมหรือไม่ดูแลลูกในครอบครัวหรือไม่หรือปล่อยให้แม่ให้รถเขาเหยียบไปพิดาก็ต้องนึกคิดเหมือนกันเป็นห่วงเป็นใยทั้งพีาดามารดาพ่อแกตัวมาใหญ่มา ถึงแปดปีเก้าปีรู้จักเดียงสาถึงอย่างนั้นก็ดูแลอยู่ทุกลมปานก็ว่าได้ก็กระผมรักวีดามันดาคงไม่เท่าวีดามันดารักกระผมดอกพระบรมมาสดาพระองค์ท่านเป็นพระคุณ ลื่นนจริงอยู่แต่ถ้ว่าวิดามันดาของเก้านั้นเป็นบุพก า, ารย์สั่งสอนก่อนพระบรมา ศ, า ศ, าศาสดาเสียแล้วถึงแม้พระบรมา ศ, าศาสดาจะมีคุณค่ามากกว่าวิดามันดาก็ขอยกไว้ส่วนหนึ่งอีกแต่ส่วนคุณของวิดามันดาของเก้านี่เก้าคงว่าคงเข้าใจว่าคงสงเคราะห์เข้าได้กับคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ไม่แสลงกันนึกไปมากถ้าใดยังเห็นพระคุณขององค์ท่านมากที่ก้าวประพฤติอย่างนั้นไม่ถูกพุทธประสงค์หรือสังฆประสงค์ในธรรมีในยัยอันใดก็ดีก้าก็จะเข็บหลาบจะไม่ทำต่อไป ถ้าหากว่าถูกก็จะรักษาไว้ถ้าบาเรามาศาสตราพูดกรค่อดตอาลูกกระขอดบอกว่าสาธุสาธุสา ธ, สาธุสามข้างการสาธุนี่เราจะอธิษฐานจงให้ได้ยินถึงพ ม, มโลก ท, ทั้งใจโลกธาตุเถิด ศิษย์ทั้งหลายจงเอาย่างอย่างภิกษุองค์นี้ภิกษุองค์นี้เป็นเป็นผู้ไม่อกตัญญูเราตถาคตเกิดมาในภพใดชาติใดเมื่อละทิ้งวิดามันดาเลยแม่อชาติเป็นสัตติรฉานก็ไม่ละทิ้งวิดามันดาเช่นชาติเป็นนกแขี ก็ได้ไปคาบเอาข้าวที่ร่วงหล่นของชาวนามาให้บิดามารดากินชาติเป็นลิงก็ไปหาลูกไม้ในป่ามาให้บิดามารดากินชาติเป็นโคเป็นกระบือไปเห็นหญ้าอยู่ที่ไหนงอกงามหรืออ่อนก็ยืนเฝ้าอยู่ พอเห็นบิดามันดาทำท่าทำทางรักษาไว้หาอุบายใช้กิริยาบอกให้บิดามันดามาเราเป็นสัตติธัชานเราก็จำบิดามันดาของเราดไว้เราไม่ลืม ชาติเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็ดีเราไม่ทิ้งวิดามันดาของเราสักชาติสักภบเลยตลอดทั้งชาติเป็นส่วนนะสามวิดามารดาของเราตาบอดเราเขาเรียงจนถึงสิ้นลงปลานมีตั้งแสนแสนนั้นล่าเธอทั้งหลายไม่สามารถจะนั่งฟังได้ดอกถ้าเราปรารบเนี่เธอทั้งหลายจะขี้เกียจนั่งฟัง เอาแต่พอขนาดนี้ก็พอแล้วถ้าบรามาาศราสตร์ชชาติเราเป็นพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้เองเราก็ได้ประเทศเอาวิดามานาันดาเอามานดาของเราที่ชั่นดาวดึงจนทั้งเดชทสดาบันส่วนพระบิดาของเราพระสุดโทธนะเราก็เทศให้จนถึงพระหาร เมื่อท่านจิ้นลมปลานเมื่อท่านสําเร็จพลังหันท่านก็จิ้นลมปลานไปในขณะนั้นเพราะเป็นโลกชคลาเหตุฉะนั้นเราจึงมัญญะว่ามาตาปิทุปัฏฐานะผู้ใดอุปถากบิดามารดาตามสติกําลังของตนเอต ม, มังค์คามุตตะมังเป็นมงคลของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกยทุกสมัย ทิศซูทั้งหลายเหล่านั้นก็ยินดีในภาษีของพระบรมศาสดาไม่ได้ถือว่าเป็นโชคของพวกมันไม่ได้ถือว่าถูกแพถือว่าเป็นโชคของพวกเราบรรดาบรรดานในฟั่งเทศถือเป็นของสนุกถือเป็นของน่าเรื่องอีกด้วยาิศซูเหล่านั้นไม่ได้ถือว่าเสียเปรียบ ของมีดามันดาก็บกุฎมาพุพทธธรรมพระสงค์สงเคราะห์กันเข้าได้เหมือนเกลือเหมือนพริกจะสงเคราะห์เข้าในแกงหัวไหนๆก็ได้ไม่สแสแลงกันมามาตาปิตาจักรา ม, มานามาตาปิตาชื่อว่าพรมของมดุด เนีฉะนั้นเวลาบวชอนุญาโตสิมาตาปิตูเหตท่านได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือไม่อามะพันเตได้รับแล้วถ้าบรมศสาสตราพวกเขารบบิดามารดา คุณของบิดามันดามากมายเหมือนคุณพระหันพระบมรมศาสดาบัญญัตไว้ถ้าท่านผู้ใดประมาทคุณบิดามันดาจะเป็นเพศฆราวาดก็าตามจะเป็นเพศก็คือสามเนนก็าตามเป็นผู้อาภัพ เป็นผู้อักตันยูคุณของวิดามันดาเป็นโลกุตระคุณไม่ใช่โลกียะคุณไม่ใช่สังขารคุณเป็นวิสังขารคุณคุณของพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกัน แล้วท่องเที่ยวมาในสงสารท่องเที่ยวมาใช่นี้ใช่ศีลของตนเองเพราะเป็นนี่ศีลของตนเองอยู่เราไม่หาโทษใส่ท่านผู้ใดว่าเป็นด้วยผู้นั้นเป็นด้วยผู้นี้ถึงจะเป็นคุณหรือโทษก็เป็นเรื่องของพวกเราแต่ละลายของบุคคล ยังเป็นหนี้เกิดยังเป็นหนี้แก่ยังเป็นห น, น, นี้เก็บยังเป็นหนี้ตายยังเป็นหนี้กุศลผลบุญพอสร้างยังไม่พอจึงได้มาท่องเที่ยวในวัตาทรองสารไม่ใช่ว่ามาท่องเที่ยวเล่นเฉยๆเพื่อสร้างกุศลผลบุญใครวัยมือกอทันได้แต่ละชาติละชาติใครไม่วันวัยมือ ก็ตายเสียเปล่าการท่องเที่ยวในวัตาสงสารไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องใหญ่โตของฐานมากมายนะต่แต่ด้วยอำนาจของความเคยชินก็เลยถือเป็นของธรรมดาไม่ค่อยจะสนใจ แต่มันก็ไม่พ้นธรรมดาทุกไปทั้งยืนเดินนั่งนอนนับตื่นพระหุ่นกรรมําชินกรรมเคยชินอยู่ในวัฏฏะสงสารก็เลยถือว่าเป็นของไม่จำเป็นผู้เห็นทุกเข็นภัยเห็นโทษ นับแต่เม็ดงาคาลิ่นขึ้นไปก็เป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยสติไม่นอนใจในวัาสงสารนกเขานกกระทาที่เขาขังไว้ในตรงกงถึงจะอิ่มน้ำสำรานกับเพียงไหนก็ดี เขาเทน้มใส่กระบอกถอกน้าใส่กระลาหรือเทอาหารใส่ให้กินนกเขานกกระทากินแล้วก็ไม่นอนใจเหมือนหมูเวียนรอบกรงอยู่พอได้ช่องก็ บ, บินปื้นหนีไม่กลับมาเลยจะเอาอะไรมารอก็ไม่มามเหมือนสุกรสุกรเขาเอาอะไรมาร้อมันก็มาเคาะเคาอีก ฉันใดก็ดีผู้สร้างบา ร, รมีแก่กล้ามาแล้วเห็นภายในวัาตาสงสารอย่างเต็มที่ไม่คุ้นเชื่อไม่นอนใจพ ร, ระายาตูปัฏฐานญาณเห็นสังขารและเห็นภัยเป็นของน่ากลัว อาทีนะวาณุปัชนายานเห็นโทษปฏิสังขารุปัชนายานที่เจรณานหาทางเพื่อจะพ้นเพื่อจะพ้นไปจากวัฏสงสาร ปัจจุบันในจิตปัจจุบันนธรรมอรันใดที่เห็นชัดในธรรมอันนั้นๆปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมอันนั้นแหละจะเป็นแวน่นดวงใจจะเป็นแว่นดวงธรรมจะไป็นหนทางข้ามความหลงของตนในปัจจุบันในชาติเราพิจารณาอันใด เราอยากเข้าใจว่าสิ่งที่เราพิจารณานั้นอยู่ในอดีตอนาคตมันมีอยู่ในปัจจุบันแล้วเช่นพิจารณาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระบุเพื่อบ้าไปเฉยๆก็มีอยู่ในปัจจุบันแล้วเช่นเราพิจารณาความแก่ก็ไม่ใช่ว่าความแก่อยู่ในอดีตหรืออนาคตก็มีอยู่ในปัจจุบันเราพิจารณาความเก็บ ก็ไม่ใช่ความเก็บอยู Arrow, ragt, ator, er ่ในอดีตอนาคตก็มีอยู่ในปัจจุบันคือหนังหงอยู่โดยรอบเราพิจารณาความตายก็ไม่ใช่ความตายมาอยู่ในอดีตอนาคตก็มีอยู่ในปัจจุบันคือก้อนตายก้อนเกิดอยู่ที่ไหนก็ก้อนตายอยู่ที่นั้นคือหนังหมอยู่นี่เองเราพิจารณากองทุกก็ไม่ใช่ว่ากองทุกอยู่ในอดีตอนาคตก็มีอยู่ในปัจจุบันเป็นจักรคันธาทุกขาเนี่ย เราพิจารณาอานิจจังก็ไม่ใช่ว่าอานิจจังจะอยู่ในอดีตอนาคตก็เห็นอยู่ซึ่งหน้านะตลอดความกลมกล่อ ม, มหายใจเข้าออกในปัจจุบันเราพิจารณาดินน้ำไฟลมในสกลกายก็ไม่ใช่ว่าดินน้ำไฟลมจะอยู่ในอดีตหรืออนาคตก็ๆๆมีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเราบน่บนเพอ้อไปไม่มีเหตุผล มีอยู่ในปัจจุบันนกิจปัจจุบันธรรมนั่นเองเพราะหนึ่งมีอยู่ในปัจจุบันแล้วเราจึงนับสองได้ถ้าสองไม่มีเราก็นับไม่ได้ชั้นใดก็ดีผมขนเล็บฟั น, นเนื้อเอ็นกระดูกเนื้อในอกระดูกมามหัวใจตาฟังผือไตปอดไตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้น ธาตุน้ําดีเสลียร้องเลือดเหงื่อมันค้นน้าตาเปลยวมันนําลายน้ํามูกน้าไข้ข้อน้ํามูด ก, ก็มีอยู่ในปัจจุบันธาตุน้ำธาตไฟไฟที่ยังกายให้อบอุน่นไฟที่ยังกายให้สุดจูงไฟที่ยังกายให้กะวนกวายไฟที่เผาอาหารทา ย, ย่อยก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่มีอยู่ในอดีตไม่ใช่มีอยู่ในอนาคตลมพัดขึ้นเบ้างบนลมพัดลงเบื้องต่ําลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออก ก็มีอยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นรากกระดูกก็มีอยู่ในปัจจุบันเส้นเอ็นแต่ละเส้นก็อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หมดไม่ใช่เราพิจารณาสิ่งที่ไม่มีพ้ามีอยู่แล้วไม่ใช่เลยว่าเราบ่นเพ้อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลความสกรปรกโสมม ใสักคนใร่างกายของเราก็มีอยู่ทุกการไม่ลงธรรมะความแก่ก็มีอยู่ทุกการไม่ลงธรรมะความเก็บก็มีอยู่ทุกการไม่ลงธรรมะหาใจเข้าหาใจออกก็บรรเทาความเก็บนั่นเองพิกหน้าพิกหลังก็บรรเทาความเก็บนั่นเอง กระดิกไปกระดิกมาไว้ตัวไปไว้ตัวมาก็บริเทาความเก็บนั่นเองถ้าอยู่นิ่งๆมันอยู่ไม่ไหวคล้ายๆตัวว่าทานไฟแดงโลก่กํามือนี่แล้วก็โยนขึ้นเอามือนี้มารับมันร่อนมือนี้ก็โยนขึ้นเอามือนี้มารับ เปียนอิยาบทเดินเดินนั่งนอนก็เหมือนกันเพราะเปลี่ยนบรรเทาทุกนั่นเองไม่ใช่อื่นไกลเลยกินดื่มก็เหมือนกันอาธีนวาอุปัศนายานกายนี้มีทุกมากมีโทษมากเราเอาพาต่างๆย่อมมีอยู่ในสกุลกายนี้ทุกๆุกประเภท ทุกๆโรคดแปรพันปการรับทานอาหารลงไปมีหนอนชนิดหนึ่งแยกกันจินมีอยู่ทุกๆ ท, ท่านแม่พ่อบรมศาตราก็มีตัวเล็กปันกล้องทัวนทัทมองมาเห็นเวลากืนอาหาร แต่ละคำละคำก็แวกน้ำเสลดลงไปพอแวกน้ำเสลดลงไปแล้วน้ำเสลดก็ปิดหุ้มไว้หนอนใช้ที่นั่นแยกเงินจินกะจุยกระจายแยงกงเงินจินอยู่มันตายอยู่ในที่นั้นแล้วมันเกิดอยู่ในที่นั้นอีกมีอยู่ทุกๆ ท, ท่านประจำกายพระบรมศ า, ศาสด า, าก็มี ทำไมเราเราถึงต้องการนิ่งเพราะธรรมดาเราจะดูอะไรเราวิ่งวิ่งดูมันไม่ชัดเราต้องนิ่งดูมันจึงชัดนิ่งดูอะไรนิ่งดูกองทุกนั่นเองนิ่งดูกองอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนิ่งดูร่างกระดูกก็คือนิ่งดูกองทุกนั่นเอง นิ่งดูลมหายใจเขาออกก็คือนิ่งดูความทุกันเองไม่ใช่อื่นใกลเลยบุคคลผู้มาเห็นโทษในทุกขหนจะอยากจะพ้นทุกทีปัญหาของมันก็มีสอดอีกเมื่อเห็นทุกอย่างเต็มที่ก็ต้องการอยากจะพ้นทุกอย่างเต็มที่เมื่อมาเห็นทุกอย่างเต็มที่ก็ไม่ต้องการเพราะถือเป็นของสนุก พอบัญญัติเอาเมื่อยังไม่มียานว่าพ้นทุกในวัฏจัรสงสารนั้นเท่นี้เราจะสำคัญตัวว่าเราเป็นสุขความสำคัญเท่้นั้นก็เป็นที่พึ่งของเราไม่ได้อีกเหมือนกันเดี๋ยวจะเกิดเป็นภัยกับเราอีกทำจิตทำใจของเราให้เป็นหมัน ทุกอยู่พร้อมกับลมเข้าลมออกพร้อมทั้งรับหูรับตาพร้อมทั้งพลิบหูพิบตาพร้อมทั้งหายใจเข้าออกพร้อมทั้งเคลื่อนไหวไปมาในสก ล, ลกายจึงจะพอดีกันจึงจะไม่ลืมตัวจะไม่ลืมใจจะไม่ลืมธรรม ผู้ใดเห็นทุกในชาติในภพก็คือผู้นั้นเห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพราะผู้นั้นจะสแสวงหาออกจากทุกสแสวงหาทางออกจากทุกผลที่ได้รับทุกอยู่ทุกวันนี้เพราะเราสร้างมาในพวก่อนแล้วมันเป็นนิบากของภพก่อนของชาติก่อน พราะเราหวานพืชไว้แล้วหวานความเกิดความแก่าความเก็ บ, ค ว, กบความตายไว้ในพวกก่อนแล้วเพราะเรายังดับพืชไม่ได้ทีนเราไม่ต้องการอยากจะหวานพืชอะไรอีกที่เราอยากจะดับพวกพันุ์มันเสียพอเราเห็นโทษในกิดเก่เ ก, เก็บตายเราจึงพอใจพิจารณาให้เคลีบแท่น า, าในเรื่องเกิดเกิดแก๋าเก็บเก็ บ, ก บ, กบตาย อยากๆหิวหนาวๆร้อนๆฉะน้รพัดวัดเวียมในสกนลลกายไม่มีความสุขแม้แต่เล็กน้อยเลยส่วนสกลลใจถ้าพิจารณาถธรรมะก็เป็นสุขหรือว่าถ้าไม่ถูกก็ยิ่งไปยใหญ่อีกละส่วนสกลกายนั้นเป็นทุกข์ผูกขาดแล้ว ส่วนตะโกนและใจนะั้นถ้าพิจารณาถูกก็เป็นสุขอยู่บ้างถ้าถูกมากก็เป็นสุขมากถ้าพ้นไปจากความหลงจากของแนละ้วก็เป็นเป็นสุขมากมีแต่สุขล้นร่วนเพราะแก้ปัญหาจากของตกเดี๋ยวนี้แก้ปัญหาของเรายัางไม่ตกเลยนี่ถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาของเราตก เราก็มายินดีในพบทางปวงเราก็มายินดีในโกรธในโลภในโกรธในหลงถ้าหากว่าโลภโกรธหลงเราถือว่าเป็นของอร่อยพอกินพอยใช้พอไปอยู่เราก็พ้นไปไม่ได้ถ้าเราถือว่าเป็นฟืนเป็นไฟเราจึงจะพ้นไปได้สิ่งไหนที่เรามาเห็นโทษ เราก็ละมันไม่ได้สิ่งไหนที่เราเห็นโทษด่างตื้นที่ไม่ไม่มีผู้อื่นบอกละเราก็ต้องละได้เช่นไฟอย่างนี้เราเห็นโทษจริงๆมีผู้บอกเราไปรุยหนุมฐานเพลิงเราก็ไม่ไปนอกจากจะถูกบังคับเที่ยวเข็นไปเท่านั้น ผู้ามาเห็นโทษในเะกิดแก่เก็บตายก็ต้องยินดีในเกิดแก่เก็บตายความยินดีนั่นเองเป็นชาติเป็นภพเป็นตันหาเป็นอุปาทานความยินดีในภพทั้งปวงยินดีในเกิดก็คือยินดีในแก่ในยินดีในเก็บยินดีในตายก็คือยินดีในทุกทั้งปวง ความเพลินในวัฏสงสารก็คือดับตัณหานะั้นไม่ใช่อันอื่นก็คือดับทุกข์อีกเหมือนกันก็คือดับนันทิความเพลินในวัฏสงสาร เสียเปียบที่เคยได้เพลินมาแล้วเคยได้หลงมาแล้วเสียเปียบตนเองถูกแพร่ตนเองหลายชาติหลายภพจะไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของความหลงความหลงมีสุอยู่สี่ข้อหลงอย่างใหญ่โตมโหาน หลงสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงลงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขคือสกลละกายว่าเป็นขอ ง, ง, งสุขว่เ 5, าเป็นของเที่ยงลงสิ่งที่ของไม่สวยไม่งาม่าเป็นของสวยงามคือสกลละกายลลงสิ่งที่ ไม่ใช่ตัวตนถือว่าเป็นตัวตนเอาจริงๆจริงๆคือสกลนักกายสกลนักกายเป็นโลกภายในเป็นชังขานภายในสกลในใจก็เหมือนกันสกลนานใจที่ยังมีกิเลสอยู่ก็เป็นชังขานภายในเหมือนกันย่นโลกลงมาในสกลนากาย นอกจากกลายเป็นไปเป็นจักรวาลพระพุทธเจ้าเรียบโลกก็คือเรียบกายนี่เองทัศนาจรแต่ผมลงมาหาฝ่าเท้าทัศนาจรแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปหาผม ทัสนาจรไปทัสนาจรมาดินก็เป็นแต่ักว่าดินน้ําก็เป็นแต่ักว่าน้ําไฟก็เป็นแต่ว่าไฟลมก็เป็นแต่สว่าลมนนี้ใครเป็นเจ้าของดินน้ําไฟลมใครเป็นเจ้าของผมใครเป็นเจ้าของหัวขนเล็บปันนังเนื้อเอ็งกระดูใครเป็นเจ้าของของป่วยเน่าในสกลร่างกายของเรานี่ยมีกลิ่นมีสีเป็นยังไง ให้คะแนนกันอยู่วันเดียวอันนี้อร่อยนะักตื่นเช้าขอลบเหลี่ยมกันเม้นไปถ่ายเม้มนำลายทิ้งเลยเวลากินเรารับแล้วก็กินอย่างผงผายทีนี่เวลาไปถ่ายแล้วอาละทีนี้ต้องซ่อนตัว เห็นคนไปก็พินหน้าสู่เอามืองุ้มอไวัยะไว้เพราะเป็นทุกข์เอามือบังไว้ให้คนอนนกันเวลาครบฉันทนันะ้ เนือรางนั่นกพ็พวดน้ำลายออกมาอ า, อาหารที่ยังไม่ย่อยนี้มันไปนขังอยู่ในลำไส้ย่อยออกมาเป็นขี้หูบ้างขี้ตาบ้างเดียวว่าขี้ไม่ขี้ออกหน้าเนือใครออกจากทาวรหนักก็ว่าอุจจระ ออกจากาวาวรเบาก็ว่าปัสสาวะออกจากปากก็ว่าน้ำลายออกจากจมูกก็ว่าน้ำมูกออกจากผมขนคุ้ขนขุ้มผมก็ว่าเงอว่าใครบ้านเมืองของพยาจิตลาช ประตูหน้าต่างของพยายจิตราชประตูบ้านของพญายจิตราชก็คือทวาวรหนักถาวรเบาช่องปากช่องจมช่องตาช่องนี้วพยายจิตราชกษณ์เฝ้ามาหลายภพหลายชาติแล้วตาพระยายจิตราักษเป็นผู้ใส่ชื่อ มนูพญาคิตรนาก็เป็นผู้ใส่ชื่อจมูพกพญาคิตรนาก็เป็นผู้ใส่ชื่อลิ้นพญาคิตรนาก็เป็นผู้ใส่ชื่อกายพญาคิตรนาศเป็นผู้ใส่ชื่อที่นี่ส่วนใจไม่มีใครใส่ชื่อให้ฉัแล้ว พยาจยิตลระก็โขนสวมหัวตัวเยงว่าใจใจใ จ, ใจถ้าไม่รู้เท่าใจพญยาจยิตลาะก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวแตหของสมูกเรีน่นเขามาเป็นทุกข์ด้วยพยาจยิตลาะที่เอามาขับรถคันนี้แหละคันสองขาขาสองแขนสองมืห น, น, น, นึ่งนี่ ที่เอามาขับท่องเที่ยวอยู่ในวัตาสงสารนี่แต่สลายคันนี้ก็สร้างเอาคันใหม่อีกแต่พยายจิตราชข้าไปสักขับไปสร้างกุศลพลนบุญมันยังดีขับลงนรกมันสำคัญมาก สิ่ล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะพิจารณาทั้งนั้นดึงสมชานะของชาวพุทธพุทโธเปลผู้ลูกลูกเกิดลูกแก่ลูกเก็บลูกตายลูกโลภลูกโกรธลูกหลงลูกเข็ดลูกหลาลูกคุณของพระนิพพานลูกนี้จากทุกไม่ใช่ลูกอยู่ในทุก พุทโธแปลว่ผูร้รู้ธรรมโมแปลว่าทรงไว้ซึ่งผูร้รู้สังโคแปลว่าปฏิบัติผู้รู้ในทางที่ถูก<ม>ตกลงพุทโธธรรมโมสังโฆก็อยู่แห่งเดียวกันคือหัวใจใจใดไม่รู้จักใจใจนั้นก็ไปพบภยัย ยิ่งไปก็ยิ่งไปพบภัยใจใดไม่รักษาใจใจนั่นก็ไม่รักษาธรรมใจใดไม่สนใจในใจใจนั่นก็ไม่สนใจในธรรมใจใดไม่ปฏิบัติใจใจนั้นก็ไม่ปฏิบัติธรรมใจใดไม่รู้เท่าใจตอนไหนๆใจนั่นก็ไม่รู้เท่าธรรมตอนนั้นๆ ก็ไม่ปฏิบัติทำตอนนั้นนั้นก็ไม่รุดพ้นไปจากความผิดตอนนั้นนั้นใจใดไม่อิงพิษเป็นเหตุทำอันอยู่เหนือเหตุก็ไม่ต้องไหนหาใจนั่นนานไม่ได้ท่องเที่ยวใจเดียวทำเดียวอยู่นอกเหตุ มดประเภทท่านผู้อื่นจะตามหาข้ามโลกาไปไม่มีรอยข้ามความหลงของตนไปไม่มีรอยใจใดเห็นภัยในวัฏสงสารใจนั่นก็ดับเพินในวัฏสงสาร เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยทั้งปัจจุบันด้วยเป็นธรรมด้วยเป็นวินัยด้วยเป็นศีลด้วยเป็นสมาธิด้วยเป็นปัญญาด้วยปัญญานิยนิยานิกระทาจะนําตนออกจากความหลงด้วยปัญญาโอสถด้วย ยาที่แก่เมาแก้เพลินด้วยเป็นธรรมะธโมด้วยไม่ใช่ทาเมาทามัวไม่ใช่ทาหลงพิจารณาลงพวกเราเวลามีเั็กน้อยดูทุกวันนี้น่ะ ก็อยู่เสียงบุญเสียงกรรมลมเข้าแล้วมาออกก็ต้องไปลมออกแล้วมาเข้าก็ต้องไปทีพจรไม่เดินก็ต้องไปไปตามกรรม จ้องในกรรมฐานอันใดก็ต้องจ้องกรรมฐานอันนั้นท้าละแปลว่ิที่ตั้งดืนดูนิ่งดูจิตใจที่รวมในสมาธิมันมีหลายอย่างรวมแบบหนึ่งมันมีนิมิตมาเกยมาพาดมีแสงสว่าง แสงเดือนแสงดาแสงพระอาทิตย์สารพัดจะเป็นไปโลดโผนเหาะเหินเดิอนอากาศปรากฏปิ่งความปิ่งหายสารพัดจะเป็นไปแต่สุดท้ายประถอนออกมาภายใต้อำนาจอนิจจังสมาธิแบบหนึ่งเข้าไปแล้วหูวม่ได้ยินเลยเงียบแต่หมดกำลังก็ออกมาอีกเหมัอนกัน มีอยู่สองแบบสมาธิที่เข้าไปเห็นนิมิตต่างๆก็เพราะจิตเป็นสองเงื่อนสติเป็นสองเงื่อนงื่อนหนึ่งตั้งไว้ที่กรรมฐ า, านเดิมเงื่อนหนึ่งไปตามนิมิตที่มาหลอกพอนิมิตท้ายไปก็เกินมาหาอาจารย์เดิมอย่นี้ ตั้งกันใหม่อยู่อย่างนั้นผู้มีสติปัญญาเห็นทั้งในมิตใหม่เห็นทนั้งในมิ ต, ม เ, มตเก่ารวมกันในขณะเดียวยกขึ้นสู่ตายรักไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลธรรมชั้นสูงก็มีอยู่มากมาย คำชั้นสูงก็คือใจชั้นสูงก็มีความหมายอันเดียวกันก็คือธาตุอันสูงธาตุก็ดีทำก็ดีขันก็ดีก็มีความหมายอันเดียวกันเพราะเป็นฝ่ายชั้นขานเว่นพรนิพพานธาติเสียเว่นพระนิพพานทำเสียเรือนอก น, นั้นเป็นฝ่ายสั้ขารทั้งนั้น เกิดขึ้นแล้วแปลปวนแตกสลายไม่มีใครบังคับบัญชาได้เกิดขึ้นอย่างพึงสายแปรปวนอย่างผึงผายแตกสลายไปอย่างพึงผายไม่ละอายใครเลยเกิดก็เกิดอย่างผึงสายแก่ก็แก่อย่างพึงสายเก็บก็เก็บอย่างพึงสายตายก็ตายอย่างผึงผาย เขาไม่มีการละอายใครไม่มีการจทกฉันในสนามเกิดในสนามเกะในสนามเก็บ ใ, ในสนามตายผมหงอกแก้มตอบฟันหักก็ไม่ประมาทกับใครเป็นยางพึงไายสังขารกับเงาเงากับสังขารก็มีความหมายอันเดียวกัน หลงสังขารก็คือหลงเงาหลงเงาก็คือหลงสังขารก็มีความหมายอันเดียวกันจะมาหายใจร่วมสังขารจะให้สังขารอยู่ในวงแขนของตนก็เท่ากับว่าจะให้เงาอยู่ในวงแขนของตนเราชกมันมันก็ชกเรานั่นกันเงาเราพาวิ่งมันก็วิ่งไปเราพาหยุดมันก็หยุด เมื่อเราตายเงาก็ไม่มีแต่ว่าเงาของกรรมและผลของกรรมยังมีอีกทีนี้เมื่อโลกยัเดเยียดไปด้วยสังขารอย่างไม่สงสัยเชื่แล้วก็ไม่เป็นหน้าที่จิตใจของพวกเราจะไปสงสัยอะไรอีกทีนี้เมื่อโลกเต็มไปด้วยกองทุก เมื่อโลกเป็นเต็มไปด้วยอนิจจังเต็มไปด้วยกองทุกเป็นไปด้วยทุกขังทั้งอดีต ท, ทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันหาระหว่างไม่ได้ทีนี้จิตใจของเราจะดื้อดึงไปสงสัยอะไรอีกที่นี่ก็ไม่มีประตูจะไปสงสัย ถ้ามันมีประตูไปสงสัยแล้วก็มีตั้งหน้าพิจารณาหนึ่งนิดให้เบื่อให้หนาให้คลายให้รุดท้พุ้นเท่านั้นมีประตูเดียวเท่านั้นเพราะม่สงสัยแล้วถ้าเราไม่สงสัยว่าการรับอาหารมันจะไม่อิ่มกูมีหน้าที่จะเอาใส่ปากหรือเคี่ยวกินเท่านั้น ทันใดก็ดีเมื่อเราไม่สงสัยในโลกทั้งปวงเราก็ตัง้งใจพิจารณาตามเป็นจริงเพื่อให้เบื่อให้หน่ายให้คลายในวัตาสงสารเท่า น, นั้นไม่มีปัญหาอะไรอยู่มากพิจารณาติดต่ออยู่เนืองนิดไม่ขาดสาย อนาคามีบางองค์พิจาณาไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนบางองค์พิจนาทุกทุกทุ ก, ทกอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนพระอนาคามีพวกที่ขึ้นไปอยู่สุทาวาสพิจารณากรรมฐานยังไม่มีกลางวันกลางคืนติดต่ออยู่ไม่ขาดสาย ไม่เที่ยงเป็นทุก์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาพระเชษาบันก็พิจารณาเหมือนกันพระสกทาคามีก็เหมือนกันพระอรหัตตะมักก็เหมือนกันแต่ว่าผิดกันในทางแยกคายจเจริญกรรมฐานอันเดียวกันแต่ผิดกันในทางแยกคายและติดต่อมากกว่ากันเท่านั้นกรรมฐานอันเดียวกันเองไม่ใช่อันอื่น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 นอกจากทุกไมนมีอะไรจะดับไปทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกเท่านั้นแหละแปรปวนทุกเท่านั้นแหละไปสังขารเท่านั้นแหละเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแหละแปรปวนสังขารเท่านั้นแหละดับไปอันนี้จังเท่านั้นแหละเกิดขึ้นอันนี้จังเท่านั้นละแปรปวนอันนี้จังเท่านั้นละดับไป รูปธรรมนามธรรมเท่านาั้นแหละเกิดขึ้นรูปธรรมนามนามธรรมเท่านาั้นแหละแปรปรวนรูปธรรมนามนามธรรมเท่านปปัน้า น, านแหละดับไปก็มีความหมายอันเดียวกันใส่ชื่อเรือนามหลายอันชเฉยแต่ว่าอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกัน โลกนี้เป็นของใครไปถามมันตอบไหมตาเธอเป็นของใครหูเธอเป็นของใครจมูกเธอเป็นของใครลิ้นเธอเป็นของใครกายเธอเป็นของใครใจเธอเป็นของใครใจอยู่ในวงแขนของใครสัพเพหามาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาจะคงอนัตตาลูปาอนัตตา โตังอนัตตาสัทธาอนัตตาคานังอนัตตาชิวหาอนัตตาลัะอนัตตากาโยอนัตตาโหตพะอนัตตามะนาอนัตตาธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลแต่อนัตตาบาปเป็นฝ่ายเว้นอนัตตาบุญเป็นฝ่ายเจริญอนัตตามรผลดิพานเป็นฝ่ายทําให้แก่ ทำอันนี้ไป็นทำรุ่มลึกของอันเดียวนั่นแหละแต่รุ่มลึกบอดอ้ามอันเดียวถ้าขุดไม่หยุดมันก็ลึกทุกเกิดขึ้นเพราะไม่ไ้มม่ม่รู้่าตาเพราะไม่รู้เท่ารู้พราะไม่รู้เท่า เราไม่รู um um ้เท่าเสียงเราไม่รู้เท่ากลิ่นเขาไม่รู้เท่าจมูกเราไม่รู้เท่าลิ้นเขาไม่รู้เท่ากายเราไม่รู้เท่าใจเพราะไม่รู้เท่ามาธรรมารมปฏิบัติก็ปฏิบัติอันนี้รุดก็รุดอันนี้พ้นก็พ้นจากอันนี้ไม่พ้นก็ไม่พ้นจากอันนี้ เราจะแยกหรือไม่แยกธาตุทั้งหลายมันแยกกันอยู่แล้วดินก็เป็นดินอยู่ตามสมมติน้ําก็เป็นน้ําอยู่ตามสมมติไฟก็เป็นไฟอยู่ตามสมมติลมก็เป็นลมอยู่ตามสมมติจริงตามสมมติส่วนดินน้ําไฟลมเป็นของใครอยู่ในอํานาจของใครจิงตามปรมัศน์ไม่อยู่ในอํานาจของใครเป็นของมีอยู่อย่างนั้น ใครจะยึดถือหรือไม่ยึดถือดินหน้าพระลมก็ไม่ทราบด้วยและไม่ปฏิเสธด้วยชั้นใดก็ดีตาหูจมูกเล่นกายใจใครจะยึดถือเอาเป็นเจ้าของหรือไม่ยึดถือก็ตามก็เป็นของมีของจริงอยู่อย่างนั้นพระบรมมัสสัทาจึงยืนยันว่าเราพิจารณากายตามเป็นจริงของกายเราพิจารณาใจตามเป็นจริงของใจ แต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งหลายเพราะสติปัญญาของเราอยู่เหนือใจแล้วเร า, าไปตามอำนาจใจทุกอย่างเราบังคับใจของเราได้เหมือนนายสารถีฝึกมาบังคับให้หยุดก็หยุดบังคับให้ไปก็ไปเราไม่ติดอยู่ในใจเราไม่ติดอยู่ในผู้รู้เรารู้จมเป็นจริงด้วยเราปฏิบัติตามเป็นจริงด้วยเราหลุดพ้นตามเป็นจริงด้วย แต่เราไม่ติดอยู่ในผู้รู้ถ้าเราติดอยู่ในผู้รู้ก็เรียกว่าเราไม่รู้พระบโโุรุษมาสัตยนาพูดถึงพอยองค์อ่าเรารู้อดีตตามเป็นจริงของอดีตเรารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตเรารู้ปัจจุบันทำเป็นจริงของปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทางสามอุปาทานของเราจริงไม่มีวิญญาณปฏิสนธิของเราจริงไม่มี เราเห็นภายในการยึดการถืออย่างเต็นที่แล้วจากโกปตินิสโกเราจึงสลับคืนมุตติอนาลโยเราไม่อะไรเราไม่ไปกี้เราไม่ไปป้นเรามาไปกี้ไปป้นเอาอาดีตมาเป็นตนเราไม่ไปกี้ไปป้นเอาอนาคตมาเป็นตนเป็นตัว เรามาไปยี่ไปป้นเอาสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเราไม่ไปกี่กเอาส ม, มุมติมาเป็นตัวเป็นต้นเรามาไปยี่ไปป้นเอาสิ่งที่ฉุนฉุนมาเป็นตัวเป็นต้นเราไม่ไปยี่ไปไไป้นเอาสิ่งที่ไม่ฉุนฉ er yes. ุนมาเป็นตัวเป็นตนปัญหาของเราก็จบสิ้นวิญญาณปฏิสนธิของเราก็ไม่ไม่มีที่ตั้งทั้งอดีตด้วยทั้งอนาคตด้วยเราก็เหยียบเรียบความหลงของเราอย่างพึงภาย กรูมื่าเดาความสงสัยใดๆในโลกของเราไม่มีเพราะเรารู้แจ้งแทงตลอดด้วยอำนาจพระ อ, อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเครื่องตัดสินเป็นดาบอันคมกล้าเป็นลูกระเบิดปรมานู พร้อมทั้งมหาสติมหาปัญญาของเราด้วยที่สมมุติว่าเราเราความเครืยดเครงสงสัยของเราทั้งปวงก็หายไปหมดแล้วไม่ติดอยู่ในอันใดด้วยรูปบางต้นเรารู้ปฏิบัติรูปท่ากลางเราปฏิบัติยิ่ง รูสุดท้ายเราปฏิบัติยิ่งทอบแล้วเราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามอีกด้วยรู่บังต้นเราลู่ปฏิบัติรู่ท่ากลางเราปฏิบัติยิ่งรูสุดท้ายเราปฏิบัติยิ่งชอบแล้วเราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามอีกด้วย เรจึงปติญญาณตนว่าพบใหม่ของเราไม่มีนัตถานิพุนพภาวะภพใหม่ของเราไม่มีอีกแล้วอญยมาชาตินัตถานิพุนพภาวะภพใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไปแล้วการมาพบลูกปรพบอาบรูปปพบของเราดับหมดแล้วเพราะเราไม่ยินดีในภพทั้งปวงทัาหาความทะเยอทะยานในโลกทั้งปวงของเราไม่มีเมื่อความทะเยอทะยานในโลก ถ้าปัวของเราไม่มีทุกของเราก็มาจากประตูไหนอีกเราไม่มีที่มาพรบรมศาสดายืนยันเพีย ง, เ, ยงเลยแต่เราก็ต้องไปตามแถวนั้นทําไมไปตามแถวนั้นก็ไม่ถูกเราพราะเราเป็นสิษย์ที่มีครูไม่ใช่ไม่ใช่ศิษย์อัตโนมัติ เขาไม่ใช่พ่อปัจ ทั้งหลายท่องเที่ยวอยู่ในตาท่องเที่ยวอยู่ในหูท่องเที่ยวอยู่ในจมูกท่องเที่ยวอยู่ในลิ้นท่องเที่ยวอยู่ในกายท่องเที่ยวอยู่ในธรรมาลมเมื่อยังยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่แล้วก็เกิดเป็นกรรมเป็นวิบากเป็นวัฏะวนเวียนกันอยู่ไม่มีที่สุดสิ้นกรรมปัจโยวิปากะปัจโยอาหารปัจโยเป็นอาหารของกิจของกายอยู่อย่างนั้น เพราะเป็นใหญ่ในความกิตติดอยู่อินทริยะปัจโยคืออินรีเป็นปัจจัยให้ติดอยู่เพราะเป็นใหญ่ในการติดอยู่ในการไม่รู้เท่าตามเป็นจริงไม่ปฏิบัติตำเป็นจริงด้วยไม่รุดพ้นทำเป็นจริงด้ว ย, <c oughs> ท, วยทัศนานุตริยะเห็นเยี่ยมด้วยปฏิปทานุตริยะปฏิบัติเยี่ยมด้วยวิมุตานุตริยะความรุดพ้นจริงจะเยี่ยม เป็นแต่เห็นเยี่ยมเฉยๆไม่ปฏิบัติเยี่ยมก็ไม่ไม่หลุดไม่พ้นปฏิบัติเยี่ยมก็จริงแต่ว่าปฏิบัติไม่ถูกเ็จาะจัดว่าเยี่ยมไม่ได้กินยาไม่พอไข้ก็ไม่หายกินยาไม่ถูกไข้ก็ไม่หายโรคก็ไม่หายเพราะวางยาไม่ถูก มียาสักเพยียงไหนก็ตามแต่วางยางไม่ถูกโรค ก, ก็ไม่หายเราขี้เกียจมา่าเกิดแก่เก็บตายในวัฏทักรสงสารเราเห็นเต็มตาอยู่แล้วตาภายนอกก็ดีตาภายในเราก็เห็นคือตาสติตาปัญญาพิจารณาความตายสิ่งเดียวก็ได้กำลังใจ พิจารณากระดูกท่อนเดียวก็ได้กำลังใจพิจารณาพุโทโธอันเดียวก็ได้กำลังใจพิจารณาลมหายใจเข้าออกอันเดียวก็ได้กำลังใจมันกันมารวมกันหมดดึงกันมาได้ขอให้เห็นชัดถ้าเห็นอันหนึ่งชัดเราก็เห็นชัดไปหมดอั น, นอื่นๆไม่ต้องสงสัยถ้าเห็นอันนี้จังชัดก็เห็นทุกขังชัด ถ้าเห็นดินชัดก็เห็นน้ําชัดเห็นไฟเห็นลมชัดเหมือนกันเนี่ยดินน้าไฟลมอยู่ใต้อํานาจอานิจังแล้วธาตุที่แปดอินทรีย์ยี่สิบสองก็อยู่ใต้อํานาจอานิจังแล้วจะกุธาตุลูกะธาตุจะกุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุคาณธาตุกันธาตุคาณะวิญญาณธาตุกิวะธาตุกายะธาตุกิวะวิญญาณธาตุ มนธาตุธรรมธาตุมนวิญญาณธาตุสิ่งเหล่านี้อยู่ใต้อำนาจอนิจจังญั้งนั้นเพราะว่ารลมศาสตราไม่ได้สอนให้แบบไปพระนิพพานด้วยทิ้งไว้ในโลกเลยดังท่านกล่าวว่าพระลรหันตายแล้วต้องเอาใจไปพระนิพพานด้วยกล่าวผิดนะ พระนิพพานอดอยากไกลหรือ จ, จึงจะได้เอาไปจากโลกจากของสารนี่เพราะใจแม่บัญญัติว่าเป็นเป็นใจใช่แล้วพอละหันตายแล้วแม่บัญญัติว่าเป็นใจจะบัญญัติเป็นใจได้แต่แต่มีชีวิตอยู่พอละหันจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะบัญญัติได้ส่วนพอลหันตายแล้วเน่ยแม่บัญญัติว่าใจใช่แล้วกลายเป็นธรรมอันไม่ตาย ไม่สมฐานะจะบรรยัติไหวใจชั้นใดก็ดีเมื่อเราแก่แล้วไม่สมฐานะที่จะเรียกว่าคุณหนูไม่ไม่สมฐานะที่จะเรียกว่าดอชอคือเด็กชายเด็กหญิงดยเพราะไม่สมฐานะเพราะแก่แล้วชั้นใดก็ดี พระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานแล้วไม่บัญญัติวาใจบัญญัติดได้แต่เพียงว่าทําอันไม่ตายอมตะตังนี้พยังคาตาคตาแปลว่าถึงคาโตก็แปลว่าถึงถึงทําอันไม่ตายแล้วพยามกะท่านเป็นผู้เห็นผิดพยามกะยืนยันว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ เออถ้าอย่างนั้นพระชายาบุตรขอให้เธอหาพระอาหารหันต์ในสก ล, ลากายดูสิหาพระอรหันต์ในขั้นห้าดูสิถ้าเธอจะยืนยันอย่างนั้นที่นี้พญามกกะก็หาพระอรหันต์ในขั้นห้าทีนี่นับแต่ผมค้นเล็บฟันนองเลือเอ็งกระดูกไปหาไปหามาอยู่นั้นนั่นก็เป็นทาาักษะของผมคนเล็บฟัน น, งน อ, องเลือเอ็นกระดูกจนถึง รวมลงเป็นรูปขันแล้วปหาเวทนาขันก็เป็นแต่สักว่าเวทนาขันและวปัญหาเนื้หาสัญญาขันก็เป็นแต่สักว่าสัญญาขันปัญหาวิญญาณความรู้ในทางตาหูจมูกเลี้ยกายจะกุวิญญาณโสตวิญญาณาณะวิญญาณชีวาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณจะกุสัมผัสโสตะสัมผัสคณะสัมผัสชีวาสัมผัสกายะสัมผัสมโนสัมผัสจะกุสัมผัสชาเวทนาโสตะสัมผัสชาเวทนาาณะสัมผัสสชาเวทนา กายสัมผ <|ja|>, ัสชาเวทนามนูส mm ัมผัสชาเวทนาก็เป็นแต่สว่าสัมผัสเวทนาเท่านั้นไม่เห็นพระอรหันต์ใช่แล้วเป็นสักแต่ว่ากองนามลูกเท่านั้นไม่มีพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นเหตุฉะนั้นทีเมื่อท่านหาไม่เห็นทําไมท่านยืนยันว่าพระอรหันต์ตาแล้วศูนย์ทีีน้เออก็ผมรู้ตัวแล้วทีนี้ก็ผมได้สําเร็จพระอรหันต์ด้วยก็ผมจะไม่ว่าละทีนี้ ถ้าหากว่ามีผู้ถามท่านจะตอบเขายังไรภาษาดิบุตรถามย้อนมาอีกถ้าหันใจแล้วศูนย์หรือยังไงถ้ามีผู้ถามท่านจะตอบเขาอย่างไงก็าางมมงผมจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแมาที่แม่เที่ททยงนั่นดับไปแล้วก็ผมจะตอบอย่างนั้นเออดีระดีละดีร ะ, ะภาษาดบุตรใจเขาเป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่พระนิพพานใจ ผู้ลู้ก็ไม่ใช่พระนิพพานพระนิพพานอยู่ฟ้าผู้ลูกผู้ลูกเป็นหันทางเข้าสู่พระนิพพานต่างหากผู้ลูกก็คือใจใจก็คือผู้ลูกถ้าใครยืนยันว่าผู้ลูกเป็นพระนิพพานเราลู่ดินไม่ใช่เราเป็นดินเราลู่ฟ้าไม่ใช่เราเป็นฟ้าเราลู่ไฟไม่ใช่เราเป็นไฟไฟก็เป็นแต่สักว่าไฟลมก็เป็นแต่สักว่าลม สมมุติก็เป็นแต่สักว่สมมติวมุติก็เป็นแต่สัว่มุติที่นี่อดีตก็เป็นแต่สักว่าอดีตอนาคตก็เป็นแต่สักว่าอนาคตล่วงไปแล้วยังไม่มาถึงปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าปัจจุบันใครเป็นเจ้าของอดีตใครเป็นเจ้าของอนาคตใครเป็นใครเป็นเจ้าของปัจจุบันธรรมะชั่นลึกที่นี่ก็ว่างจากสัตว์จากบุคคลต้องทําคิดให้ว่าท่านบอก จิตว่างในชั้นสมาธิก็ว่างอย่างหนึ่งจิตว่างในชั้นวิพัฒนาก็ว่างอย่างหนึ่งจิตว่างในชั้นหลุดพ้นแล้วก็ว่างอย่างหนึ่งคําว่าทําให้จิตว่างมันว่างหลายตอนเช่นพวกมีสินห้าบริบูรณ์ก็จิตว่างจากอันหนึ่งเขาจิตของเขาว่างจากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตว่างจากรักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมว่างจากดื่มสุราเมีอะรแต่ธรรมะของเขาไม่ว่างธรรมะนั้น เขปฏิบัติแล้วคนมักพูดก็ว่าจงทําจิตให้ว่างจงทําจิดให้ว่างใครก็ว่าได้พูดง่ายๆอย่างนั้นจิตว่ามันมีหลายขณะเนี่ยจิตพระโสดาบันก็ว่างชนิดหนึ่งจิตพระสักราคามีก็ว่างชนิดหนึ่งว่างจากราคะโทสะไม่มีหนักจิตพระอนาคามีว่างไปหมดด้วราคะโทสะ จิตพระรหัน์ว่างไปหมดจากทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะด้วยไม่มีเพราะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในที่นั้นคนมาพูดกันว่าจงทำให้จิตว่างงทำให้จิตว่าถูกอยู่ว่างาจิตว่างมันมีหลายตอนเช่นพวกโจรพวกกุรายเข า, เข า, าก็ทำให้จิตเขาว่างแต่ทางบาปเขาไม่ว่างนะ ทางบุญมันว่างเส็จแล้วไม่มีในเขามันว่างจากบุญเข้าใจไหมพูดง่ายๆพูดง่ายฟังยากจึงทำจิตให้ว่างว่างในชั้นไหนว่างในชั้นพระสวสดาบนลสกสาคาี้ว่างในชั้นสมาธิ กามไมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่มีในเวลาเข้าไปในปฐมฌานแต่ออกมามันก็รุมเข้ามาอีกทีนี่ถอนออกมามันว่างในขณะชั่วขณะศิลาทับยาไม่ได้ว่างขาดในเวลาคิดเข้าสมาธิมันเป็นปฐมฌานก็ดีว่างออกจากกามไม่วิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่มีใชแล้วเดีย๋ยวก็ว่า แต่ถอนออกมาถ้ากิเลสยังไม่ขาดมันก็คืนไปอีกเหมือนกันมันไม่ว่างละทีนี่มันขึ้นไปไปยึดเมืองใจอีกจิตพระอรหันต์ว่างโดยประการทั้งปวงสุนียตาวิโมกข้อนี้มิตาวิโมกเอาไปในหินตาวิโมก เ, เ, เพราะว่าไม่ยึดถือสิ่งใดว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นโมกลุลขาดตัวเลยไม่ขับรถคืนจิตของพระอรหันต์ว่าง คิดว่างในสมาธิก็ว่างแบบหนึ่งพูดที่เขาไม่ฆ่าสัตรักทรัพย์ประพฤติดิดในกรรมเขาก็ว่างแบบหนึ่งคิดของเขาเขาเว้นแล้วมันว่างจากโทษอ น, นั้นไม่มีโทษอ น, นั้นมาเกี่ย่บุญเเรียกว่าว่าง <c oughs> ธนกิจที่พิกไปคณะหนึ่งก็เป็นอนิจจังอันละเอียดก็เป็นทุกขังอันละเอียดก็เป็นอนัตตาไม่ใช่สามไม่ใช่บุคคลอันละเอียดเหมือนกันตามเข้าไปลึกขนาดไหนก็ละเอียดลงไปตะพึดตะพื้นธรรมะของพระบรมศาสดา หยุดพักพอหายเหนื่อยหยุดพักพอหายเหนื่อยคืออะไรคือสมาธิแต่จะหยุดพักในสมาธินา น, นานก็ไม่ได้อีกเหมือนกันคล้ายๆกับคนมุงเรือนยังไม่แล้วพอฝนตกมาก็ดิ้นผวา ทันใดก็รีเมื่อประทิดอยู่ในสมาธิแห่งเดียวกิเลสยังไม่หมดที่นอนเนือ ง, งอยู่ในขันธ์สันดานพอกิเลสย่างใหญ่โตโองฐานมากระทบทีนี้ก็ตื่นละวทีนี้วิ่งหาที่พึ่งละคว้าหน้าควา้าหลังละทีนี้สมาธิเพียงแค่นั้นอยู่ไม่ไหวบุคคลผู้จะรุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายก็ด้วยอำนาจของปัญญา ปัญญายะบริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์ในท่านไหนๆก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญามักแปดสัมมาทิฏฐิก็มีความเห็นชอบก็คือปัญญาเป็นหัวหน้าเป็นนายหน้า เมื่อสมาธิที่เห็นชอบสมาสังกโปวาจากรรมันโตอาชีโววายามูสติสมาธิก็เป็นไปตามกันโทษชงเก็บสติความระเึกได้ธรรมวิจยะความสอดส่องธรรมวิริยะความเพียรปิติความอิ่มใจปัสติความสงบใจและอารมณ์สมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรับรู้ในกองสังขารก็มีหัวหน้า ก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าสติประธานสี่สัมาประธานสี่อินทรีห้าพระห้า 4, 5, 5, 5, 5, โพธจงเขียบมัสมีองเปรมันก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าทั้งนั้นอนายหมวดนายหมู่ผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือพ่อแม่เขาต้องเอาคนมีปัญญาเป็นหัวหน้าไม่ใช่เขาจะเอาคนโม่เป็นหัวหน้าท่านนาก็ดีทำแต่ละหมวดละหมวดมีปัญญาเป็นหัวหน้าอยู่ทุกทุกหมวดไม่ไม่ว่าทางโลกีหรือโลกุตระ ยินดีในทำชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในทางหลุดทางพ้นชนะความยินดีทั้งปวงในโลกยินดีในทางสวัสดความเพลินชนะความเพลินชนะความยินดีในเพลิน ความเทเยอทะยญาในโลกสงสารชื่อว่าสามุทยัยเพราะเป็นเหตุให้ทุกเกิดความดับตัณหาความดับเทเยอ์เทญาในทิ้นเชิงทุกก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธเพราะเป็นความดับทุกปัญญาเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกสิ่งมีเหตุให้ทุกเกิดสิ่งมีความดับทุกสิ่งมีทางดำเนิ น, เ น, นถึงความดับทุกในชื่อว่ามกเพราะเป็นก่อปฏิบัติถึงความดับทุกเขาบอกเรามาศาสดาบอกกันหมดแล้ว เอาเครื่องมือยัดใส่มือพวกเราแล้วถ้าเป็นอาหารเราค่ายๆก็ว่าท่านหามาให้แล้วเรามีแต่ล่างมือเปืดเท่านั้นไม่ต้องลำบาปหุงไปต้มมีหน้าที่จะเคี่ยวกินเท่านั้นเป็นของสดสด มันเป็นของไม่บูดไม่เน่าอีกซะด้วยหนทางภายนอกของพวกเราถ้าเราไม่ได้ไม่เสียยาไม่ได้ยาไม่ปัดไม่กวาดมันก็รกหนทางที่พระบรมศาสดาบอกเตือนแล้วไม่มีรกเลยเตียนอยู่ตลอดทุกทุกทุกสมัยเป็นของที่ไม่เปลี่ยนแปลงยักย่าไปทางไหนไม่เหมือนกฎนไม้ก้หมู่ก้พักก้พวก โชคดีและเกิดมาเรื่อมใส่คำสอนของพระพุทธศาสนาและไม่มีอัญเชตฐุเทศไม่ได้ยอมถือศาสดาอื่นไม่ได้สงสัยในศาสดาอื่นไม่ได้สงสัยในศาสนาอื่นๆเลยเพราะศาสนาอื่นๆไม่ไม่สามารถมีพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอหรหัน พรบรมศาสดายืนยันแล้วในมหาพรินิพานสูตรสุภทะประกาศทูลองท่านพระอรหันต์โสดาบันก็ดีสักกทาคามีก็ดีอานาคาามีก็ดีอรหันต์ก็มีก็ดีมีในศาสนาอื่นหรือไม่พระบรมศาสดาอย่าเลยอย่าโดยสุภทะเธออย่าถามอย่างนั้นเถอะตัวหัวหน้าของเขาเขาทำไมถึงระโสดาบันทําไมพรโสดาบันจะมีศาสนาของเขา พระเยชูโมฮัมมัดหรืออะไรกฤษฎาศาสน า, าพามก็ดีแต่ก่อนพระเยชูยังยังไม่มีในสมัยนั้นเกิดขึ้นทีหลังมีแต่ศาสน า, าพรามณ์ผู้หัวหน้าของศาสนาแม่พระโสดาบันก็ไม่มีนอกจากศาสนาพุทธทำไมถึงจะมีได้เราไม่พูดเข้าข้างตัวดอกเราพูดเข้าข้างธรรมะพระบรมศาสดา พระโสดาบันยกระทาคามียนาคามีอรหัน ม, หมีแต่ในศาสนาพุทธสิ่งเดียวศาสนาอื่นไม่มีดอกอย่าไปสงสัยเลยพระบุรุษในศาสดาถ้าศ า, นาสานาอื่นๆคําสอนของเขาหนักไปในทางวัตถุนิยมตัวของเจ้าศาสนาของเขาตัวหัวหน้าของเขาก็มาถึงพระโสดาบัน ยามากก็ไปเทวโลกหรือไปพรมมาโลกเขียนอาราณดาบทอุตกาดาบทรามบุตรไงก็ไปเพียงพรมมาโลกเท่า น, นั้นไปอรลู ป, ประพรมสี่หมืนแปดพันกับยังเป็นูุทุชนอยู่เพื่ออนิสงสาญเนวัสัญญาณาสัญญาญตนะตายคาเนวััญญาณาสัญญาญตนะ เป็นผู้มีสัญญาเขไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่บริกรรมอยู่จนจิตรวมเป็นผู้มีสัญญาเขไม่ใช่เป็นผู้ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่โดยใจความเป็นผู้ผู้จําก็ไม่ใช่เป็นผู้ไม่จําก็ไม่ใช่ถ้าแปลเป็นคำตายของเราให้เข้าใจง่ายบริกรรมอยู่อย่าย ง, our, งนั้นจะตายคาจิตรวมลงไปอยู่อย่างนั้นมีอเนกสงค์แปดหมื่นสี่พันกลับอยู่ในอรูปปฐม แปดหมืนสี่พันกลับมาพระพุทธเจ้าจะล่วงกี่พระ อ, องค์ใชนี้พบางกลับก็มีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์บางกลับก็มีสองพระองค์บางกลับก็มีพระ อ, องค์เดียวกับของเรานี่มีห้าพระองค์เสร็จแล้วก็กูสั้นโทรมาไม่รู้กี่ล้านปีเท่าไหร่ แปดหมือนสี่พันกับจะกี่ร้านปีทีนี้จึงจะได้ลงมาเกิดในวัาตาสงสารท่องเที่ยวอีกยังเป็นผูุ้ชนคนหนาเราคิดดูสัตว์ทั้งหลายมีอายุยืนถึงเพียงนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอานิจจังทีนี้ยังได้แปรปวนมาเกิดแก่เก็บตายอีกเมื่อเป็นอย่างนี้ความยินดีในโลกทางปวงของเรามันจะมาจากประตูไหนทีนี้มันก็หดตัว เหมือนเขาดึงขาเต่ า, า น, น่ดึงไม่ออกขาเต่าเพราะมันหอดอยู่ในกระดองของมันเราทั่วเราก็ต้องหอดตัวไม่ยินดีในโลกทางปวงถ้าเป็นอย่างนั้นลาาดาบทอุตกาดาบท์แปดมืนสีพันกับมีอายุยืนในอรู ป, ปรคมถึงอย่างนั้นก็จะได้มาเกิดแก่เก็บตายอีกหมดอายุไขแล้ว ยังเป็นพุทธชนอยู่รู่มอยู่ด้วยยังไม่เท่าพระโสดาบันด้วยยังต่ากว่าพระโสดาบันในทางพระพุทธศาสนาอีกพระโสดาบันอยากเกิดอีกอย่างชาติก็เพียงเกิดชาติพระโสดาบันโมหจริตเกิดเทีชาติพระโสดาบันโทสะจริตเกิดอีกชาติเดียวคือเอกปฏิจีพระโสดาบันโกรังโกละ เป็นลาคจริตเกิดอีกสามชาติพระธะคาามีพระอน า, าสาคามีไปเทวโลกคนหนึ่งเยีะยว่นพระอน า, าคามีไปเกิดในเทวโลกไปเกิดในภมมมโลกไปเกิดอวิหาอัตปาสุตสาสุตเสียกนิทักกา แต่มีอายุยืนเหมือนกันนั่นก็ดีแต่ไม่ได้ลงมาเกิดในมนุษย์ถ้าอนาคามีมีห้าจำพวกแต่อไอ้จาพวกก็มีตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนพระโสดาบันก็เหมือนกันพระอรหันต์ก็เหมือนกันพระอรหันต์สุขวิปัสสโกก็มีตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนเตวิโชก็ตั้งหมื่นหมื่นแสนแนชราพิโนก็เหมือนกันปฏิสัมพันธ์ปะโตก็เหมือนกัน สวนาวันเอกกับพิคีก็เหมือนกันโกรังโกละก็เหมือนกันชตักขตุปอะบรมะก็เหมือนกันพระจักขตาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีก็เหมือนกันพระอนาคามีมีห้าจำพวกอันตราปณิพายีท่านผู้เจริญปณิพานในระหว่างอายุยังไม่ทันถึงกลุนอุปหัจจปนจะปณิพายีท่านผู้เจริญปณิพานในเมื่อต่ออายุพ้นกลุ่นแล้วจนถึงที่สุดสสังขารและปณิพายีท่านผู้เจริญินิพาน ด้วยใช่ความเพียเรยเรียวแรงอสังขารแลปณิญนิพายยท่านผู้จับปณิญญานิพานไม่ต้องใช่ความเพียรนะักอุดทางโส ต, โตัาคณิทักามีจำพวกนี้ต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดภกสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงชั้นอันนี้ถ้ากพบคือเมื่อไปเกิดในชั้นอวิหาออกจากอวิหารก็ไปเกิดอัตปาหมดอายุไขในอัตปาก็สุทธาหมดอายุไขในสุทธาก็ไปสุทธสี หมดอายุไขในสุสีก็ไปชั้นอาการนิทะกะและจึงปริณิพานในภพนั้นสีจําพวกข้างต้นปริณิพานในภพที่เกิดนั่นเองสององค์ข้างต้นกําหนดด้วยอายุสององค์ข้างข้างปลายกําหนดด้วยความเพียรองค์ข้างท้ายจําพวกข้างท้ายต้องเลื่อนขึ้นไปเกิดภพสูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงชั้นอาการนิทะกะและจึงปริณิพานในภพนั้น นั่นเป็นเรื่องของท่านเรื่องของพวกเราเราก็ต้องมุ่งไปเพราะพวกนั่นทอดสะพานแล้วทอดสะพานอันดีแล้วสะพานทองสะพานเงินแล้ว ค่าก็ ว, ว่าพระบรมศาสดาร้องเรียกพวกเราอยู่ทุกวันมาเถิดลูกหลานมาเถิดลูกหลานที่นั่นวุ่นวายที่นั่นคัดข้อมีแต่แก่มีแต่เก็บมีแต่ตายมีแต่เวรมีแต่ไปคําสอนแต่ระบาระบาดค่าก็ ว, ว่าพระบรมศาสดาหรือพระภิกษุอหรหันต์ที่ท่านล่วงไปร้องเรียกพวกเราอยู่ทุกวันมาเถิดมาเถิดมาเถิดน้าในนี้จืดเย็นดีนะลงมากินอาบเล่นด้วยกันให้สบายใจเถิด ข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละคำสอนแต่ละบทละบาทต้องเลียกอยู่ไม่มีกลงกางวันกลางคืนนอนใจในวัดตาสงสารกับนอนใจในลุมฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกันไม่ไว้ใจในวัดตาสงสารกับไม่ไววใจในลุ้มฐานเพิงก็มีความหมายอันเดียวกัน เห็นภายในวตาสงสารกับเห็นภายในรลุนฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันหายใจเข้าข้างหนึ่งเป็นโลกรอบหนึ่งเป็นสังขารรอบหนึ่งเป็นกองทุกรอบหนึ่ง เป็นสัพพใจโลกธานุรอบหนึ่งแต่ก็เป็นศีลสมาธิปัญญารอบหนึ่งอีกเหมือนกันเพราะรู้ตามเป็นจริงแต่ก็เป็นเครื่องนําออกอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนําออกจากความหลงรอบหนึ่งเหมือนกันเป็นแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์รอบหนึ่งเหมือนกัน เป็นปัจจตางรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะรู้เฉพาะตนเป็นโอปะนยโกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะน้อมเข้ามาใส่ใจเป็นพระพุทธทเจ้าทางหลายเป็นพระธรรมทางหลายเป็นพระอริยาสงฆ์ทางหลายรอบหนึ่งเหมือนกันของอันเดียวไม่เกี่ยวกับการสงสายหายใจเข้าครั้งหนึ่งมีทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยมีทั้ง สังขารด้วยมีทั้งกองทุกด้วยมีทั้งโลกด้วยมีทั้งมรรคผลนิพพานด้วยมีทั้งทำอันเกิดแก่เก็บตายด้วยมีทั้งทำอันไม่เกิดแก่เก็บตายด้วยอยู่ในคณะเดียวนั่นเองทำอันนี้เป็นทำอันละเอียดไม่ไม่ใช่ของบุคคลผู้จะดาวดลคาดคะเนของใครของมัน ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดปฏิบัติธรรมผู้นั้นปฏิบัติเราผู้ใดเคารพธรรมผู้นั้นเคารพเราอบรมธรรมะเาเราพิจารณาภายนอกเราพิจารณาภายในก็มีความหมายอันเดียวกันชาเป็นฝ่ายสังคาญ ถ้าเป็นฝ่ายทำฝ่ายไว้ในฝ่ายวิสังขารเราพิจารณาทางนอกก็มีความหมายอันเดียวกันเราพิจารณาเข้ามาในก็มีความหมายอันเดียวกันใครเป็นผู้ไในผู้นอกอยู่นี้ก็คือผูใจผู้เดียวเท่านั้นจะพี่ไปพิจาณานอกก็ใจอันเดียวจะพิจารณาข้างในขก็ใจอันเดียวจะพิจารณาอดีตก็ใจอันเดียวจะพิจานาอนาคตขก็ใจอันเดียวก็อยู่กับใจเท่านั้นเมื่อรู้จักใจแล้วก็รู้จักทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยใครไปสมมติ อดีตใครไปส ม, มุติอ น, นาคตใครไปส ม, มุติปั จ, จุบันก็คือใจอันเดียวปัญหาจะน้อยลงเพราะด้วยอำนาจพระอานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปแจ้งชัดอันนี้ปัญหาก็มากในโลกอันนี้ความทะเยอทะายานก็มากเหมือนกัน ถ้าไม่เชื่อพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาถ้าเชื่อพระอาจารย์สามองค์ น, นี้แล้วซึ่งอยู่ในวันเดงเดียวกันสามองค์นี่ไม่ได้แย่งกันดอกเป็นเชื่อกสามเกลียวพระอาจารย์สามองค์เป็นเชือกสามเกลียวถ้าาว่าเชื่อถือพระอาจารย์สามองค์นี้แล้วปัญหากลม่มากหมดไปแล้วไม่มีอะไรปัญหาในอดีตอนาคต ก, ก็ไม่มากปัญหาอาวิชชาตัญหาอุปทานก็ไม่มากไม่มี อวิชามันจะมาจากไหนความโง่มันจะมาจากไหนมันไม่มาตัณหามันจะทะเยอทะยานไปโลกไหนพอมันมองเห็นโลกไหนก็มีแต่อนิจังเล้วมันจะทะเยอทะยานไปไหนอีกมองไปในโลกไหนทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันมันก็เห็นแต่กองทุกข์มันจะทะเยอทะยานไปไหนอีกก้ามเห็นชัดมันก็หดตัวท่านั้นมันก็ห้ามเบริท่านั้นมันก็หยุดท่านั้นมันก็เข้าโลก ก็ดังเท่านั้นมันก็โอเถึงบางโอแลยทีนี้อ่าถึงบางอ่าเลยทีนี่เป็นอย่างนี้หรอกหรือเห็นชัดทั้งอดีตท้งอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วไม่ว่าแต่เท่านั้นถ้าเห็นว่าว่าโลกมันเต็มไปด้วยแต่ธาตุดินน้ำไฟลมแล้ว ไม่มีอะไรดินน้าไฟลมเต็มไปด้วยลูกขันน้าขันเท่านั้นในใจโลกกธาตุเต็มไปด้วยลูกขันน้าขั น, น, น, น, ล, นลูกขันนา้นขนนาขันอยู่ใต้อํานาจอนิจจังแล้วหนีไม่รอดไปไม่ไหวอนิจจังทุกครั้งอา น, นาตาเที่ยวกว่ำต้อนแล้วอยู่ใต้อํานาจอนิจจังแล้วพระอนิจจังตํารวจอนิจจังก็งปราบอนิจจังเทื่อวปรากหมดทีี่ เห็นเท่านั้นชัดในใจเท่านั้นมันก็ไม่สงสัยในโลกโลกวิถูรู้แจ้งโลกละที่นี่อนุตตรเยี่ยมละพุธิสาธรรมสาณติฝึกกิดฝึกใจฝึกความหลงไม่ให้หลงได้แล้วถึงเกลรู้ชักเพียงไหนก็เป็นสาวากะพุโทโธพวกเราไม่ใช่สมาสพุโทโธ ระพยพตวนเำทำท่านก็ไม ja <c oughs> <t akers> so <åt ibile> ่ถูกพุทธะสี่จำพวกสัมมาสัมพุทธะจาพวกหนึ่งสาวกะจําพวกหนึ่งสาวิกาจําพวกหนึ่งสาวิกาแปลว่าสาวกผู้หญิงที่เป็นพระหลานสาวกแปลว่าสาวกผู้ชายที่เป็นพระหลานหรือเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปพระเจดก็พุทธะพระเจดกพุทธเจ้า เรียกว่าพุทธสี่จำพวกสมมาสัมพุทธคือพระสมมาธรรมพุทธเจ้าพระเจกก็พุทธคือพระประเจดสา ว, อสาวอกอ า, า, าพุทธคือสาวกของพระพุทธเจ้าสาวสาพุทธเรียกว่าสาพวกผู้หญิงนับจากพระโสดาบันขึ้นไปเป็นสาวกของพระสมมาธรมพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธสี่จำพวกพุทธะแปลว่าผู้ลู้สี่จำพวก พวกเราเป็นนิสัยสาวกจะรู้สักเพียงไหนก็เป็นสาวกาะพุท ธ, ธะจะไปเทียมท่านว่าเป็นสมาชัมพธะก็ไดก้ก็ไม่ถูกทัศนีนะสัมปันูจงเห็นพร้อม เมื่อเห็นค้อมวก็เป็นสัมมาทิฏฐิทีนี้เห็นชอบเมื่อเห็นชอบแล้วมันก็ดำริชอบทีนี้เมื่อดำริชอบแล้วมันก็ทําการงานชอบมันก็วาจาชอบเพราะวาจาชักชวนในทางที่หลุดที่พ้นเบียกวาสัมมาวาจาสัมมารกรรมันโตเพราะการงานกระพือปฏิบัติเพื่อหลุดทั่วพ้น สัมมาอาชีว์โอเพราะหาเลี้ยงชีวิตเพื่อจะหลุดเจพน้นสัมมาวายามโมเพราะพยายามเพื่อจะหลุดจะพน้นสัมมาสติเพราะระลึกเพื่อจะหลุดเจริญสัมมาสมาธิเพราะตั้งใจไว้เพื่อจะให้หลุดเจพน้นถ้าถูกอันหนึ่งมันก็ถูกหมดเนี่ยถ้าไม่ถูกอันหนึ่งมันก็ไม่ถูก ถ้าถกอันหนึ่งก็ต้องถูกหมดเพราะมันเป็นแถวเดียวกันถ้าเห็นหน้าเขเห็นตาเห็นจมูกเหมือนกันถ้ามาเห็นหน้าก็มาเห็นตามาเห็นจมูกมันอันเดียวกันพูดตาลบวนไปวนมาเพราะสังเพราะวจีสังขารมันก็วนไปวนมาอย่างนี้แหละวจีสังขารมันเกิดดับอยู่เหมือนกัน ผู้ฟังก็ฟังผู้ฟังเทศก็คือฟังใจผู้พูดก็เอาผู้ผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังอต่างก็มีใจเป็นเครื่องทานอยู่เครื่องสอบทานผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ใจก็ผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงฟังเทศก็คือฟังใจ ผู้เทศก็คือเทศใจีนผู้ปฏิบัติก็คือปฏิบัติใจผู้รุ้พ้นก็คือรุ้พ้นจากใจที่มันหลงมันง่เมื่อใจฉลาดมาแล้วขณะที่จิตที่มันง่มันก็ไม่ได้สั่งมันกันก็หายไปเลยฉะนันเราหลับตาอย่างนี้เราลืมขึ้นไม่เห็นมืดมันมาลา ผมเป็นมืด่านลืมตาขึ้นแล้วผมจะลาไปละมันก็ไม่ว่าฉันในกว่าณีเมื่อความฉลาดของเรามาตอนไหนความโวกของเราตอนนั้นมันหายไปเลยนั้นไม่ได้ลาเหมือนกันพระอาทิตย์สองแสนก็ทีนี้มืดก็มาได้ลาเหี้ยวหายไปโดยเรียวพลันชั่วนลักยิ่งมือเดียว เมื่อรู้เท่าทันเี่อถึงทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันในโลกทั้งกวงเท่ยแล้วความหลงในโลกโลกเรๆมันก็หายไปรับเดียวเลยยังจะปาถนาพบน้อยพบใหญ่อย่างนั้นอย่างนี้พระเจ้าของนั้นองนี้ก็ดีอยู่แต่ว่า ก็ดีอยู่ปรารถนาในพระพุทธเจ้าองค์นั่นองค์นี้ก็ดีอยู่เราตกลุมฐานเพิงปีนขึ้นวันนี้ดีกว่าวันพรุ่งนี้เออถึงพรุ่งพุ่งนี้จะปีนขึ้นเถิดเราก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะเก็บจะตายเพราะรอดจะตาย ไม่พอใจน้องกันเราตกล้ ม, มูดนงพูดทีนี่พวกนี้จึงพี่เอขึ้นเถิดเราก็ไม่พอใจอีกแล้วเพราต้อง ก, การจะขึ้นนเร็วนั้นนี <c oughs> ่ทนทางพขาขึ้นได้แต่ถ้าหมดทุนทางก็ขึ้นไม่มได้ก็จําเป็นปัญ <c oughs> หาของโลกมีเท่านั้น ถ้าไม่หลงอันนี้จังก็ไม่มีสิ่งที่จะหลงถ้าไม่หลงหนังก็ไม่มีสิ่งที่จะหลงถ้าไม่หลงตาก็ไม่มีสิ่งที่จะจะหลงถ้าไม่หลงหูก็ไม่มีสิ่งที่จะหลงถ้าไม่หลงหูก็ไม่หลงตาก็ไม่หลงจมูกก็ไม่หลงลิ้นก็ไม่หลงกายก็ไม่หลงใจถ้าไม่หลงปัจจุบันอดีตก็ไม่หลงอนาคตก็ไม่หลงถ้ารู้เท่าปัจจุบันอดีกรู้เท่าอนาคตก็รู้เท่า งานศพของหลวงปู่กองมามีพระองค์หนึ่งมาถามเคยบวชอยู่ด้วยกันท่องพันศิลาแดสิบแปดเคยปฏิบัติอยู่ด้วกันท่างว่าช่องพันศิลาแปดสิบแปดในอุราครูบาครูบาครูบาพ่นแล้วหรื อ, อยังพ้นไปแล้วหรื อ, อยังผมยังไม่พ้นกิเลสของผมมันมากในโลกนี้ไม่เท่าผมหรอกแล้วต่ออย่างนั้น แก่ดฟ้าเผ็นดินยังมีความงาัผมยังไม่พ่นท่านพ้นแล้วรือผมพ้นแล้วอธิบายเรื่องพ่นให้ผมฟังอดีตอนาคตผมเบื่อแล้วครับผมอยู่ในปัจจุบันเอาละทีนี้ผมจะถามท่า น, นปลาตัวเดียวกันนั่นเองแต่ด้านหัวท่านไม่กิน หางท่านไม่กินท่านมากินที่ตรงพรุงของมันมันอร่อยท่านก็เป็นเป็ดเป็ดเฝ้าเฝ้าปัจจุบันอยู่ท่านยังไม่พ้นแต่ว่าถูกอยู่การเดินมรรคแต่ท่านยังไม่พ้นนะผมยังไม่พ้นผมก็รู้จักหมดปัญหาสินี่เราจะอ้าปากสิปลาตัวเดียวนั่นเองแต่ทางหางท่านไม่กินทางหัวท่านก็ไม่กิน ท่านมากินตรงพุงของมันนี่แต่ว่าปลาตัวเดียวกันท่านก็มาเป็นเป็ดข่อ ป, ปัจจุบันอยู่พระอรหันต์ว่าจะเป็นเปตด่อปัจจุบันอดีตนอนาคตนะรู้ตามเป็นจริงนะสงคคืนแกข่อมูต้นหาทีนี้ต้ ห, ตหาผมอยามไม่พ้นผมแต่ผมรู้ เดี๋ยวเวลาเดินมัดมันถูกอยู่เดี๋ยวนี้ท่านกําลังเดินมัดอยู่ไม่ใช่ท่านพ้นเพราะท่านรักษาปัจจุบันอยู่เพราะจิตสมาธิปัญญารวมลงมาในปัจจุบันแล้วท่านกําลังเดินมัดในปัจจุบันท่านยังไม่หลุดไม่พ้นเดี๋ยวนี้ท่านยังหาอย่างจะรุดพ้นอยู่ไม่ใช่ท่านหลุดพ้นแล้วแต่ว่าถูกอยู่ไม่ใช่ผิดธรรมะของท่านถูกในท่านที่ยังไม่พ้นในท่านเดินมัดไม่ใช่ท่านพ้นแล้ว ท่านพ่นเป็นไม่ใช่ท่านพ่นเป็นพระล้านเลยแต่ว่าพ่นท่านเลยท่านหนึ่งผมผมยกให้แต่ว่าพ่นท่านพระสวสดาวันสกทาคามีผมก็ยกให้แต่ว่าพ่นใครพ่นอาหารผมยังไมายกให้นี่แกก็หมดปัญหาสิเนี่อาจารย์จวนก็หัวเลาะสีเนี่ยันจารย์ชวนได้ยินอยู่ท่านอาจารย์ชวนก็นั่งฟังอยู่ด้วย คนที่ยังอาศัยหลักปัจจุบันอยู่ยังยึดถือปัจจุบันเป็นเครื่องมืออยู่ก็แปลว่างานยังไม่เสร็จจึงได้การรดาบดาบอยู่เพยังจะฟันอยู่เพราะยังไม่ชนะข่าศึ ก, กยังวางดาบยังไม่ได้อาศัยปัจจุบันอยู่พระะหันท่านพ้นไปแล้วท่านไม่ได้ติดอยู่ในปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอานาคตท่านไม่ได้เป็นเปรต่อปัจจุบันอยู่ ถ้าพระละหันเป็นเตศเส้าเป็นเตศเส้ปัจจุบันอยู่พระละหันก็เป็นคนคุมนักโทษก็เป็นทุกข์เพราะกลัวปัจจุบันจะหนีจากคนเพราะยังหง่วงห่วงอยู่ผมไม่พ้นหรอกแต่ผมรู้ล้วพูดอย่างนี้แกก็หมดปัญหาเหมือนกันท่านพ้นเระคนไปเสียแต่ว่าท่านไม่พ้นนะผมยังมาให้คะแนนนะถ้าหากว่าท่านสาคัญตัวเป็นพระโสดาวันสกทาคามีผมยกให้ ถ้าท่านสำพันตัวเป็นพระทหารผมยังมาให้พูดเกลี่ยครับผมก็ไม่ใช่ผีบ้าจะไปนอนเต้ากู้จะกออยู่เฉยๆผมก็รู้บ้างเราคุยไปอีกซําบ้าเท่านี้ก็ดีบ้าเท่านี้ ว่าทะเลก็ไปอีกละ่ะปเรืก <t> ันที <but you warriors> ่น th ี่เอะไรทมาอุกรทึกนี่ไม่ใช่ทํมากรึกทามาอึกระทึกอยากปะกาศเรียนถามหลวงปูเอออ่ะทีเกี่ยวนคเออเออคือบอกว่าถ้าโพสตยริตอีกฉาหนึ่งนะคะถาราคาีกสาม ถ้าโมหะถึงเจ็ดก็แปลว่าถ้าตัดโทสะได้เนี่ยจะหลุดได้เลยใช่ไหมคถูกแล้วถ้าตัดโทสะได้นแน่ก็ถึงพระอนาคามีถึงพระอนาคามีแต่จะยั่งอยู่ในพระอนาคามีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญาของของผู้นั้นบางท่านก็ยั่งอยู่ในยับยั่งอยู่ในอนาคามีบางท่านก็เตลิดถึงพระรหัน รูก้กออกไปแล้วแล้วเอาก็ตีฟามไปไปหยักยังอย่างนี้เออเป็นจะเรียาตัดนะฮะยังไ <c oughs> ม่ตักนะฮะยังพอหมัดเขาตีมาแล้วพอหมัดเขาเอาแล้วเราเรารู้จักหลังฉากแต่ว่าเขานอกไปแล้วแต <c oughs> วก็ยังดีอยู่ แล้วก็พุท ธ, ธจริญกับสัพพจริตและสัธธะะะะพพะ จ, จะเจริญเข้าไปในหลับไหม่พุทธจริตจะเจริญกรรมฐานอะไรก็ค่องแค่วไม่ไม่สําคัญจะเป็นผสมคนเทอยู่กับโมสาพได้ไหมได้บ้างแต่ว่ามันไม่เป็นหัวหน้าผสมพระเศียอยู่กับโทสะได้อยู่ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นหัวหน้า <c oughs> พวกราคะจริตก็มีราคาเป็นหัวหน้า เจ้าบ่าวก็พอมองเห็นเจ้าสาวที่สวยๆก็ไปเลยเป็นหัวหน้าเจ้าสาวมองเห็นเจ้าบ่าวก็ไปเลยนั่นราคะจริตนั่นโทสะจริตนิดๆหน่อยๆก็เอาโกเป็นหัวหน้านเอลยไม่ถูกก็เกเียดเขาต่อต่อโมหะโมหะนี่แปลว่าใครพูดก็ไม่ฟังเท่านั้นเองนะครับเมามัวเลยมมามัวเพราะไม่เข้าใจโมหะ มอโมเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจความหมายไม่มีปัญญาเลยไม่มีปัญญาภาวนาก็มักง่วงคนเช่นนั้นเยวสักประหมต้องเจริญอาณาปนสติส่วนอย่างนั้นก็นวนลมห้างกาเข้าออก ผู้โทสะเจริญเมตตาเนี่ย จ, งจึงเจริญนิพพานาจึงเจริญทุกครั้งอนิจจ์อนัตตาส่วนอนันครัังอนทุกครังอนิจจงอนัตตานี่กรรมฐานใดๆก็ต้องมารวมกันที่นั่นเพราะเป็นสถานีใหญ่เหมือนสถานีกรุงเทพลงไปจากเชียงใหม่ก็ต้องไปจอดที่นั่นไปทางอีสานก็ไปจอดที่นั่นไปแปดเี้วก็ไปจอดที่นั่นไปภาคตะวันออกก็จอดที่นั่นภาคใต้ก็ต้องไปจอดที่นั่น น่จังทุกงอนัตตาเป็นที่รวมของเป็นที่รวมชิวของกรรมาฐานทั้งปวงผู้จะเบื่อจะนายจะคลายจะพุ่จะพ้นก็ต้องไปที่เรณาอนัมเช่นก่อนเข้าใจแล้วนะทีนี่แล้วก็พระแม่พิมพานีิอท่านเจรณาเป็นพระพู้ c o m m a n d ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์นี่กันห้าพระ อ, องค์ยังอีกพระ อ, องค์หนึ่ง ดังนั้นก็แปลว่าท่านก็ยังไม่ไม่ไม่ไม่หลุดพ้ไนไปยังยังไม่หลุดพ้นเพราะความปรารถนา่จความปรารถนาขององค์ท่าน <c oughs> ท่านปรารถนา <c oughs> เป็นพระมารดาของพระสมมาจัานพุทธเจ้าห้าพระองค์ถ้า <c oughs> เป็นประร่ละสี่พระองค์ยังเหลือพระองค์หนึ่งยังเหลือพระอริยะสีอริยเมตตาทีนี้พอพระสียะเมตตาใจมาเกิดแล้ว ท่านก็จะได้สําเร็จพร้อมกันพขะสียาเมตไตไปศาสนาเดียวกันพมรญญาของของพรบรมาสารีราของเราแล้วก็พระศรีอยาเยมตไตนี้ก็คือเป็นในในในภาพหนึ่งก็ท่านเป็นล่นองของพระเจ้าถนงโบราณสถานะูน้พิพากษาเป็นพระญาติ พระพุทธอง์เจ้าคเป็นเป็นอากเป็นญาเป็นญากทางธรรมะเป็นญาติทางธรรมะญาติมิตรยากธรรมเป็นญาติทางธรรมะ ทุกขุทุกโธธโมทะโกนิพพานันิพพานันิพพานังเมต้องมาอีกอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานขอให้เป็นภพสุดท้ายในชาตินี้เถิดทำมันใดยุดพ้นม่คับเกาะปัจจุบันใจิตปัจจุบันอันใดน่าทำมันไดที่ยุดพ้นแม่คับเกอกมาเรื่สี่ ถ้าพรเจ้าจงรู้ตามเป็นจริงของธรรมอันนั้นด้วยปฏิบัติตามเป็นจริงของธรรมอันนั้นด้วยพ้นตามเป็นจริงของธรรมอันนั้นด้วยสวนรักมือเดียวจงลงเอืออย่างนั้นถึงแม้ว่าพ้าดก็ไม่พ้นจากสีเมตไตรดอกถึงแม้ว่าพ้าด ถ้าเราปราศถนาพระเสียเมตไตาท้าพาฒมันยังไปอีกกว่านั้นนะอท้าพาฒยังไปอีกอยู่หลายพระองค์อยู่ถึงเราพาดในชาตินี้มันก็อยู่ในวงแขนของพระเสียเมตไตนันเองเข้าใจนะทีนี้นงานเราคิดว่าจะทำให้เสร็จในวันนี้ แต่มันไม่เสร็จก็ว่ากันพรุ่งนี้มันก็ต้องเสร็จเท่านั้นถ้าเราว่าอีกเดือนหนึ่งจึงจะเสร็จหนึ่งมันไปอีกปีหนึ่งก็อาจเป็นได้ เ, เราเห็นชัดแล้วเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการอยู่ไม่ต้องการเลยในวาาัฏสงสารอันนี้ บรรจุแต่เกิดแก่แกบตายเท่านั้นเราจะเป็นเป็นปัญหาอะไรอีกอบรรทุกบรรจุแต่ทุกเท่า น, นั้นเราจะพอเข้าใจว่ามันมีอื่นแซงอยู่หรือถ้าหากว่ามีแต่ทุกยัดเยียดยในวัฏฏะทั้งสารทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเราพบน้อยเราพบใหญ่แล้วปัญหาของเรามันจะขนองขึ้นที่ไหนอีกถ้าเราเห็นชัดทีนี้เมื่อมันไม่ขนองที่ปัญหาของเรามันก็ยุบตัวลงแล้วความเพลินในวัฏฏะของสารของเรายุบตัวลงทีนี้ ตัณหากิเลส ข, ของเรามันจะแบกขดแบกมุ่งมาที่ไหนอีกมากมายนะมันก็ยุบตัวลงเท่านั้นไงความเห็นไทยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่ความดับความเพลินมันก็มันก็อยู่ในตัวไม่ใช่ว่าเห็นไทยในวัฏฏะสงสารเที่ยก่อนแล้วจึงหาสิ่งที่มาดับความเพลิน พอเห็นพัยมันก็อับเพลินแล้วนี่เห็นภัยอย่างเต็ที่มันก็อับเพลินอย่างเต็มที่เหมือนกันเมื่อเห็นโทษในวัฏสงสารอย่างเต็มที่มันก็เห็นคุณในทางที่ไม่มาในวัฏสงสารอย่างเต็มที่เหมือนกันเนมื่อเห็นโทษในการตณีที่นี่ มันก็ยินดีในการให้ทานเท่านั้นมันจะไปไหนอีกทีนี้เรเห็นโทษในการโกรธทีนี้มันก็ยินในยินดีในความไม่โกรธเท่านั้นมันไปที่ไหนอีกทีนี้เรเห็นโทษในการราคาความกำนับมันก็เห็นโทษในการสลัดราคะเหมือนกันมันก็เห็นคุณในการสลัดราคะเหมือนกันนั่น มีญาติปัญญาไม่ใช่สมาธิหัวต่อนาติปัญญาไม่ใช่สมาธิหัวต่อไปสองข้างสามข้างแล้วธรรมดาอนุโมทนาล้วันนี้่ภาลบแต่เรื่องออกจากวัตฏสงสารเออ คนคงได้ยินจนถึงผมมาโลกวันนี้เนะออตัวหูทิบตาทิบคงได้ยินแล้วจนถึงผมมาโลกวะคนแก่มันก็มาจากคนหนุ่มใช่ไหมเออีก้ นี่พวกเรานี่แต่ก่อนก็นอย่างนี้ใช่ไหมเสียมันก็มาจากคนุ่มคนตายก็มาจากคนเกิดคนตายก็มาจากคนเกิดน่นะเสียมันก็มาจากได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีสิ่งที่จะเสียเลยเพราะวัตถุภายนอกไม่ถ้าอย่างนั้นไม่ได้ไปหรอกผ่านไปเลย